พระพุทธเจ้าในทรงพรชนอยู่ก็มีพระเดินจงกรมบูชาพระพุทธเจ้าอย่นีนตั้งใจเดินจงกรมบูชาพระพุทธเจ้าเดินจนกระทั่งเท้าแตกก็ยอมนะเนี่ยกำลังของความสทพานเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ห่วงร่างกายเลยนะสามารถที่จะพิชร่างกายปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าได้ เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเนื่อมันก็เป็นการเพิ่มพลนกําลังศรัทธาของเรากำลังศรัทธาภายในใจของเร า, า, า, ใ, เราให้มันกาลังขึ้มนมศรัทธาในความเชื่อ ม, มั่นสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่อุบัติขึ้นของพระพุท่เจ้าในด้านทระวรากา ดนร่างกายด้านร่างกายพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตรงนี้คือพระองค์ประสุนตรงนี้มันเป็นล่องลอยล่องรอยของพระพุทธเจ้าจริงๆนี้นพระธรรมกายพระธรรมกายของพระพุทธเจ้ายัางมีอีกชั้นหนึ่งเรามาถึงสถ า, านที่ที่ บ่ของพระวรากายคือการเกิดขึ้นทางร่างกายของพระพุทธาสาถ้าไม่มีร่างกายจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมมันก็ไม่มีด้วยกันเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีส่วนสำคัญ เราได้มาก็อย่างที่เราพูดกันนั่ น, นแหละจะเป็นอยู่บนรถแล้วก็ฟังสวัสดของพระพุทธเจ้าฟั ง, งเรื่องราวที่พระพุทธเจ้สาสร้างบารมีมากว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าดัต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องข้างนอกเนี่ยพระองค์เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย พระโ อ, อมีเป้าหมายอยู่อย่างเดียวเลยคือสัมมาสัมโพธิญาณคือจะต้องตับสรู้ให้ดับคือจะต้องรู้แจ้งในทางที่จะพ้นทุกข์ให้ดับต้องตับสรู้แล้วต้องดับทุกข์ภายในพระไตยของพรโอให้ดับแล้วจึงจะนำคาสอบเหล่านั้น มาเผยแพร่มาประกาให้สาวกของพระองค์ชื่อพระองค์ทรงเรียกว่าเวนเนยสักหมายถึงผู้ที่มีปัญญาพอรองรับเอาธรรมะของพระองค์นั่นเองพวกเราก็จะอยู่นนนยในประเภทเดียวกับเวเนยสักเหมือนกันคือมีปัญญาพอที่จะรองรับเอาคำสรนของพระองค์ มาถึงแล้วเราก็แสดงออกถึงความเคารพในพระองค์นั่นก็คือสำนวมทั้งกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจนี่คือแความเคารพ ก, การเคารพที่สูงสิดเรียกว่าปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจ เราสำรวมอิสีของเราพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอิสีสังวรลิ้ลิ้มของเราเปลี่ยนไปทางทีเปลี่ยนมาเป็นการสำรวมอิสีนั่นก็คือดอีแท้รักษาทวาราร่างกายวาจาใจรักษาตาหูจมูกลิ้น กายใจนีแล่การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรานึกถึงสาระทุกแก่นสามของคําสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงทางดําเนินมาทั้งหมดของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สลับทุกสิ่งทุกอย่างบำเป็นเพียรทุกสิ่ทุกอย่า ง, างตั้งแต่มหาทานมหาสีล ฝึกขันติฝึกสมาธิฝุปัญญาทุกสิ่งทุกอย่าง น, น, นก็เพื่อเข้ามาหาสิตเนีมาสำรวมลงที่จิตนี่ถ้าหากว่าเราสำรวมจิตใจเราได้นี่แหละเราเข้าถึงสาระเข้าถึงแก่นสารของคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างอื่นทำไปก็เพื่อเชื่อนหนึ่ง สภาวะภายในจิตใจใหน้มาให้เกิดความสมุบให้เกิดความแน่วแน่ให้เกิดความตั้งมั่นสาระแก่นสารที่แท้จริงของคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราปฏิบัติถูกต้องต้องเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความเยือกเย็นภายในจิตใจ เป็นไปเพื่อความสุขความสบายความทุกข์จะต้องค่อยๆน้อยลงไปจะต้องเป็นไปอย่างนั้นถึงแ น, นวในขณะที่เรากำลังปฏิบัติมันจะมีการลองผิดลองถูกไปบ้างก็เพราะว่าเรายัางไม่รู้จักทางทางดำเนินไปของจิตเนี่ยมันละเอียดอ่อนมันก็เลยทำให้เราเนี่ย หลงผิดไปบ้างผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแค่จริงเหล่านี้ถ้าหากว่าเราตั้งสติแล้วก็สังเกตมันจะนเรื่องธรรมดาผิดก็เพื่อให้เรารู้ว่ามันผิดแล้วเราจะได้หาทางที่ถูกต้องถึงเราจะพลาดไปบ้างหลงผิดไปบ้างเกิด อารมณ์ต่างๆขึ้นมาในจิตใจของเราว่าเกิดอริยสัขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันถ้าหากว่าเราเห็นว่าพวกนี้มันเกิดแล้วก็ดับไปไม่ดีมาเกิดแล้วก็ดับไปดีมาเกิดแล้วก็ดับไปเราจะสามารถเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ก็คือใจของเราเนี่แหละมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลาง เหลวมัชิมาปฏิปทาเข้ามาเป็นปกติคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนะี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าธรรมะบทไหนบาทไหนก็ตามจะต้องตรงเข้ามาหาจิตแล้วก็เพื่อรักษาจิตนี่แหละไม่ให้หลงใจ ย, ยินดียินร้ายกับสิ่งใดให้จิตของเราเนี่ย มีความสงบมีความตั้งมัน่นมีความแน่วแน่หรือมีความเป็นปกติบางทีเราจะได้ยินท้าพุทธเจ้าเนี ก, กอตัดอะไรไปแล้วพระองค์จะชี้ลงใส่ว่านี้ศีลคำวันนี้ศีลก็คือนี้คือศีลนี้คือศีลก็หมายความว่ามันต้องเห็นได้จับต้องได้ด้วยจิตของเราจิตของเราอยู่ในภาวะปกติ จิตของเราอยู่ภายในกายเราภายในจิตเนี่คือศีลจิตของเราตั้งมั่นนี่คือสมาธิจิตของเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นปวยแปลเปลี่ยนแปลงตั้หงหยุดแล้วก็ดับไปใจของเราเนี่ยมันวางท่าทีได้ถูกต้องนี่คือปัญญาคําว่าศีล คำว่าสมาธิคําว่าปัญญาก็หมายถึงสภาวะจิตใจของเรานี่ที่เมื่อปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไป น, นะครัจิตของเราดําลงความเป็นปกติดําลงความตั้งมั่นอยู่ได้ดําลงความรู้ความจริงมากขึ้นเนียยศีนสมาธิปัญญาจริ่ที่จิตใจของเรา ถ้าหากว่าเราติดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ย้ำอยู่เรื่อยคือพระองค์อธิษฐานความเพียรสองอย่างในสมัยที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์เราก็เหมือนกันนะเราก็เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันพระองค์นั่นแหละเป็นพระโพธิสัตว์แต่เรานี่เป็นสาวกโพธิสัตว์คือเป็นผู้ที่ดําเนินตามพระพุทธเจ้า หวังที่จะหลุดพ้นตามพระพุทธเจ้าหวังที่จะบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าจริงเรียกว่าเราก็อยู่ในภาวะที่เป็นโพธิสัตว์แต่เป็นสาวกโพธิสัตว์สองอย่างอย่างที่หนคือพระองค์ไม่สันโดษในบุญกุศลคุณงามความดีถ้าใครมีหลักข้อนี้อยู่ในใจนี่ก็เรียกว่าตรง กับที่พระพุทธเจ้าดําเนินมาแล้วข้อที่สองก็คือมีสติสํานวนสติเนจริญสติมีเรียกว่าพระ อ, องค์อธิษฐานความเพียรในสมัยเปโตรที่สามทีนี้พระ อ, องค์ยังแนะนําอธิษฐานการงานหมายความว่าใช้การงานเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนั่นก็คือทําอะไรก็ตามพยายามให้มีสติทําอะไรก็ตามพยายามให้มีสติ คือเอาสติอยู่ในการงานการงานก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเราก็เลยไม่แบ่งแยกระหว่างงานกับการปฏิบัติธรรมเราเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามให้มีเป้าหมายว่าเราจะเอาสิ่งนั้นนะเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ฝึกติดฝึกใจทั้งหรามีสติรักษาใจของเราการงานมีเราก็ทําไป นี่คืองานการภายนอกเราก็ได้การได้งานด้วยส่วนภายในคือจิตใจของเรามีสติรักษาจิตใจเอาไว้งานด้านในก็คือการปฏิบัติธรรม ร, รมะก็เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราไนดะ้ถ้าหากว่าเราดําเนินตามรอยของพระพุทธเจ้าดเนินตามวิถีทาง ที่พระพุทธเจ้าทรงดำินมามันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราที่จะปฏิบัติการเพราะฉะนั้นการที่มายังสถานที่ที่พระองค์ประสูติคือการเกิดขึ้นของร่างกายหรือพระวรากายของพระองค์มันก็เพิ่มความสรทาความเลื่อมใสเหมือนกับว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะบต้องได้จริงพอเรามาแล้วเนี่ยเจ อ, อมันมีสถานที่รองรับในสมัยอาตมาเป็นเด็กเข้าโรงเรียนหรือ ย, ยังก็ไม่ทราบหรือว่ายังอยู่ชั้นกระถมมันมีความสงสัยเกิดขึ้นในใจอยู่ครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่มีจริงไหมมีแต่คนพูดถึงพระพุทธเจ้า แต่เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยหรือว่าจะล่าลือกันไปอย่างนั้นเองจากนั้นความคิดนี้ก็หายไปมันก็เหมือนคนทั่วๆไปแต่ว่าเคยสงสัยครั้งหนึ่งยังเป็นเด็กแล้วก็เลยต่อมายังมีเด็กคนหนึ่งอายุสามขวบเขาไปกับพ่อเขาแล้วก็ ไปฟังธรรมครบาอาจารย์นี่แหละพวพ่อเขากล่าวพระเสรเรียร้อยแล้วก็เริ่มสนทนากันสนทนาธรรมะก็สนทนาเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้เด็กอายุสามขวบเขาก็ถามขึ้น้าว่าหลวงพ่อครับพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าครับเขาถามพึ่นเนี่ย เราก็นึกถึงว่าเออเราก็เคยสงสัยเหมือนกันนะว่าตอสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเพราะเราตามภาษาเด็กอะเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแต่เราเคยอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าเคยเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแต่มันไม่เคยเห็นก็เลยสงสัยหลวงพ่อองค์นั้นก็เลยตอบเด็กคนนั้นว่ามึ เด็กเขาตอบคำถามสวนกับทางหลวงพ่อเคยเห็นไหมครับหลวงพ่อหนันก็ตอบว่าไม่เคยเห็นเด็กคนนี้ก็ถามต่อไปอีกว่าหลวงพ่อไม่เคยเห็นแล้วหลวงพ่อรู้ได้อย่างไงว่าพระพุทธเจ้ามีจีิงเนืองจากหลวงพ่อท่านก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันท่านก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเธอมีผูกไหมมีครับ เขาตอบอย่างเข้นแข็งเลยนะปู่ของปู่มีนะ้อมมีครับเขาก็ตอบได้แบบฉาดฉานเหมือนกันนะเธอเคยเห็นปู่ของปู่ไหมไม่เคยเห็นครับเข้าใจแล้วครับเนี่ยเนี่ยเด็กสามขวบเนี่ยมันก็แปลกดีสงสัยเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแล้วคำถามคำตอบก็ทำให้เขาเนี่ยยอมรับในเหตุผลอนุมานได้ว่า พระพุทธเจ้าก็ต้องมีจริงเหมือนกันแต่นั้นเขาก็เล่นไปบ้างฟังไปบ้างไปถึงจุดหนึ่งก็พูดเรื่องกิเลสพูดเรื่องกิเลสอันนั้นก็เป็นกิเลสที่เป็นกิเลสเด็กคนนี้ก็ถามขึ้นมาอีกว่าความง่วงเป็นกิเลสไหมครับคือในขณะที่เขานั่งอยู่ตามภาษาเด็กคงจะเกิดความง่วงขึ้นมาเขาก็ถามขึ้นมาว่าความง่วงเป็นกิเลสไหมครับหลวงพ่อนั้นก็ตอบว่าเป็น เป็นทกิเลสยังไงครับเป็นเพราะว่ามันเป็นโมหะครอบงามัมนทําให้ไม่เกิดสติปัญญามันกั้นสมาธิกั้นจิตใจที่ดีงามทําให้ความดีงามภายในจิตใจท้างหลมันหายไปแล้วแก่ยังไงครับเนี่ยถามเดียวนั้นเลยนะไม่ต้องคิดเลยนะเหมือนจะถามออกไปจากภาวะทางจิตใจทั้งหลหลวงพองก็ตอบว่าเธอ เพ่งดูลงไป น, นั่งสมาธิแล้วเพ่งดูหน้าตาของตัวง่วงให้ได้ถ้ากำลังจิตของเธอพอความง่วงก็จะหายไปเขาทำตามทันทีเลยนะนั่งสัสมาทิพั์นิ่งแน่วอยู่สักประมาณห้านาทีเขาบอกว่าหายแล้วครับเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อดที่จะเจดจำไม่ได้ คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันก็ทำให้นึกนกว่านึกถึงเราสมัยเป็นเด็กว่าเออเราก็เคยสงสัยแต่บัดนี้เรามายังสถานที่ที่เป็นที่ประสูตบของพระพุทธเจ้าจริงๆมีหลักฐานเรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์แต่อันนี้เป็นที่อุบัติขึ้นของร่างกายเรียกว่าลูกประกาย แต่ธรรมกายของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้สิ่งนั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่พระองค์สร้างบา ร, รมีมาทั้งหมดก็มีเป้าหมายเพื่อให้พระองค์ตัดสรตวธรรมให้ธรรมกายเกิดขึ้นกับพระองค์ถ้าหากว่าเรานาธรรมะ ของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติธรรมกายของเราก็ต้องเกิดขึ้นเหมือนกันทีนี้การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนให้เราสร้างเหตุพอใจที่จะทำเหตุคือไม่ต้องไปอยากคือถ้าหาว่ามีความอยากอยากเอาอย่างงู้นอยากเอาอย่างนี้ มันจะกลายเป็นเรื่องใหญเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องน่ะอยู่าภายในจิตใจถ้าหากว่าเราทําสมัยสบายมาสร้างเหตุแล้วคอยดูสิว่าผลมันจะเป็นงไงสภาวะธรรมจะเป็นยังไงก็จะสบายขึ้นเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนมาก ถ้ามันมีความอยากความต้องการเกิดขึ้นนั่นแหละคือมันมันมีกิเลสเข้าไปแทรกแล้วเราปฏิบัติเพื่อลด ก, กิเลสแต่พอเริ่มต้นเนี่ยกิเลสมันนำหน้าแล้วมันออกมาในรูปของความอยากความต้องการก่อนแล้วมันจึงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราวางเราเราวางความอยากเอาเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเลยพยายามทาให้ พอใจที่จะทำเหตุพยายามทำเหุพยายามจดจ่อที่จะทำเหีุถ้าจะแก้ไขแก้ไขก็คือแก้ไขให้จิตใจของเราเนี่ยมันเดินตรงทางของพระพุทธเจ้าให้เหตุมันสมบูรณ์ขึ้นเนาะส่วนผลเราวางเ้ื่อยัป ผลเป็นหน้าที่ของสภาวธรรมพอเราวางใจได้ถูกต้องเนี่ยบางครั้งจิตของเรามันรวดเร็วเนี่ยม้มันคิดไม่ดีขึ้นมาถ้าเราเห็นไ อ, ไอ้ความคิดไม่ดีเนี่ยว่าเอาเกิดแล้วก็ดับไปนี่นาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทันทีเลยจากไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นดีได้หรือความทุกข์มันดีคขั้นความทุกข์มันเสียกแทงใจ มันจะทุกขนาดไหนก็ตามถ้าหาว่าเราเห็นว่ามันดับไปเหมือนกันมันก็จะจากทุกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสุขทันทีเลยพอความทุกข์ดับไปเนี่ยมันก็กลายเป็นสุขขึ้นมาพระพุทธเจ้าจิงสอนไม่ให้เรากลัวอะไรสักอย่างเลย จิตใจของเราเนี่ยมันรวดเร็วเยมันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับใจของเราเราจึงต้องเข้าใจเข้าใจแล้วก็วางท่าทีให้มันถูกต้องเพื่อให้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันง่ายให้มันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อให้มันเกิดความสุขเกิดความสงบ เกิด ค, ความสบายให้เราพยายามมีสติรู้อยู่ที่กายเรารู้อยู่ที่จิตของเราให้จิตของเราอยู่กับตัวเราเราเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้ววันนี้ จะเปิดโอกาสให้เราได้ดูตัวเองให้มากๆรวบรวมกำลังจิตใจของเรากำลังสติของเราควบคุมจิตของเราให้อยู่กับตัวเราเรามีสติ รู้อยู่ที่จิตของเรารู้อยู่ที่กายของเราถ้าหาว่าจิตเนี่ยมันอยู่กับตัวเราไดาน้นานขึ้นมันก็เป็นสมาธิแล้วทีนี้ผลจากการเป็นสมาธิเนี่ยระหว่างนั้นก็มีความสบายมีความโปรง่งมีความโล่ง ม, มีความเบามีความสุขที่มีความสุขที่ลึกซึ้ง อยู่ภายในจิตใจจิตใจก็มีอารมณ์หนึ่งเดียวนานขึ้นคือจิตเนี่ยมันตั้งมัน่นมันมีอารมณ์เดียวที่มันตั้งมัน่นแต่ว่าจิตมันยังไหลไปอยู่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าเราเป็นพอใจที่จะทําใหเ้เราก็ดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนถ้าจิตของเราอยู่อยู่กับตัวเรานานขึ้น ทีนี้อาการของจิตเนี่ยมันก็มีเราก็อันไหนที่มันเด่นชัดอ่ะเราก็ดูพระพรที่เจ้าก็สอนให้มีสติตามดูกายในกายเนืองเนืองมีความเพียนมีสติสำปบสัญยักษ์ละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ก็หมายความว่าเราไม่เอาเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในโลก เข้ามาเกิดเป็นความยินดียินร้ายภายในจิตใจของเราให้ใจของเราวางอุเบกขาให้จิตใจของเราเป็นปกตินี่ก็เรียกว่าละความยินดียินร้ายพอถ้าใจของเราเป็น ก, นกลางๆจะเรียกว่ามัชชิมาปฏิบัติตตได้ให้ตามดูเวทนาในเวทนานเนืองมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ นีม่มีเป้าหมายที่แน่นอนในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือต้องลักความยินดีบินร้ายในโลกนี้เสียไม่ได้แต่กว่าจะละได้ก็ต้องมีความเพียรด้วยเพียรละกิเลสเพียรประพฤติปฏิบัติเนี่ยพราะบางทีถ้าหากว่าเราปล่อยใจของเราตามอารมณ์ไปเรื่อยๆทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ย ตามไปเนี่ยเราจะถูกอารมณ์เหล่านั้นครอบงำเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองเราจริงไม่เห็นความเกิดความดับของลูกนามได้มันจริงจำเป็นต้องสํารวมจิตใจเข้ามาเห็นกายในกายนเนืองเนืองเห็นเวทนาในเวทนานเนืองเนงเห็นจิตในจิตเนืองเนืองมีความเพียน มีสตินำปัญญัยรับความยินดียินร้ายนในโลกนี้นเสียหรือเล่สุดท้ายก็ตรงเข้ามาอาจิตเรารับ ค, ความยินดียินร้ายภายในจิตใจของเราให้ได้มีสติตามดูทำในธรรมเดียวกันในธรรมก็คือสภาวะที่มันเกิดกับใจเราสิ่งที่ใจเราเข้าไปรับรู้ มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเห็นมันเกิดมันดับนี่มันจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความเพียรมีสติรับปากเช่ญยาละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ลงท้ายท่านจะต้องมีคําพูดอันนี้กํากับเอาไว้เพื่อไม่ให้เราหลงทางบางทีมีอะไรเกิดขึ้นไปหลงยินดีเนี่ยมันก็ผิดทางแล้ว มันต้องไม่ยินดีอะไรไม่ถูกใจขึ้นมาไม่ได้ดั่งใจเราก็ยินร้ายอีกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะมันมียินดีแล้วก็มียินร้ายแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ไม่ว่ามันจะดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนเราก็ต้องรักษาจิตเราให้เป็นปกติไม่หลง เข้าไปยินดียินร้ายไม่ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนจะเป็นจะตายขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็สอนรักความยินดียินร้ายไม่ให้จิตเราเป็นหลงยินดียินร้ายจริงว่าต้องรักความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียด่าถ้าหากว่าเราวางใจเป็นปกติได้จิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่แหละเรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิบัติภายในจิตของเรา การปฏิบัติธรรมของเราจะไม่อยู่อยากอยากสงบมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะถ้าอยากสงบนี่ก็แสดงว่าเราต้องการความสงบเราเห็นมันไม่สงบถ้าหากว่าเราวางใจเป็นการได้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยไรดูเรื่อยไปแต่ภาวะอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารักษาใจเราได้ใจเราก็เป็นมัชฌิยาปฏิบัติธรรม แม้ขณะนี้ก็เหมือนกันมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราเราตัดสินใจว่าจะเอามาเป็นเครื่องมืฝึกจิตใจของเราให้ด่ดเกิดกับร่างกายเราก็คุมจิตไว้อยู่ที่ปัจจุบันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจิตเราเป็นยังไงมันตรงเข้ามาหาจิตนะเออถ้าจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยนั่นแหละกระแสจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ส่งออกไปไม่สายออกไปมันก็จะรู้อยู่เฉย ความเป็นตัวตนก็ไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นปักเรารู้สึกหูยิดลำคาญขึ้นมาเรารู้สึกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อจิตใจเราทันทีเพราะนั้นไม่ว่ามันจะเล็กน้อยหรือว่าใหญ่ขนาดไหนเราเอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของเราในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิเรากำลังปฏิบัติธรรมเนี่ย มันเป็นโอกาสที่เราจะฝึกจิตของเราเพราะว่าจิตของเรามันมีกำลังมันมีกำลังของสติมันมีกำลังของสมาธิมันมีกำลังของปัญญามีกำลังของศรัทธามีกำลังของความเพียร ม, มันพร้อมที่จะควบคุมตัวเองได้มันพร้อมที่จะฝึกฝนอบรมตัวเองได้เราจึงต้อง ในท่าทางที่มันเป็นระบบขึ้นมาก็คือต้องการปรึกใจของเราให้ดีเสียกอ่อนให้จิตใจมีกำลังเสียกอ่อนถ้ า, าว่าเราปฏิบัติแล้ว อของเราสติมันดีขึ้นสมาธิมันดีขึ้นแล้วมันแจ้งชัดที่เราไม่ยินดียินร้ายที่มันส่วนวางได้มากขึ้นมันเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราจริงๆมันไม่ไห่างไกลจากตัวเราเลย เราจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติที่จิตของเราจริๆใครก็ตามที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติที่จิตแต่ไม่ได้หมายความว่าละทิ้งการเกี่ยวขอ้องกับสิ่งแวล้อมทางกายเพราะเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันไป แพระองค์ให้เกี่ยวข้องแล้วให้ได้ประโยชน์ทางจิตใจถ้าเป็นอย่างนี้อริยมรรคมีองค์แปเนี่ยมันก็จะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของเรายทันทีเลยเพราะเราทําอะไรอยู่เนี่ยเราสํารวมจิตใจนั่นแหละมันเป็นสัมมาสติและสติถูกต้องที่มาทันทีเมื่อสติถูกต้องสัมมาสมาธิทําให้ใจตั้งมั่นขึ้นม สัมมาวายามะความเพียรก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิความเห็นก็เห็นตรงเห็นว่าสิ่งต่างๆผ่านมาแล้วผ่านไปใจเราเป็นปกติไม่หลงยิงยงนดีน้สัมมาสังกัปปะความคิดก็ตรงความคิดที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นไปโหมเห็งรังแกคนอื่นเนี่ย มันก็ไม่หมิ่นพ่อมันเกิดแล้วก็ดับไปเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปยิ่งเราเห็นผลการปฏิบัติว่าเออพอไอ้ความคิดที่จะติดจะข้องอะไรมากๆเนี่ยโอ้มันเกิดความลุงลังภายในจิตความคิดที่ไม่พอใจพยาบาทเบียดเบียนหรือว่าความคิดที่อยากอ ย, กอยู่เหนือคนอื่นมีตัวมีตนข่มเห็งรังแกคนอื่นเนี่ย มันก็ทำให้เกิดทุกข์าในใจเราเราก็ไม่ไม่อยากให้จิตเราเป็นอย่างนั้นจิตเรามันก็เหมือนกับว่ามันอยากอยา ก, อยากเป็นอิสระขึ้นมามันอยากเป็นไม่อยากเป็นภาพของอารมณ์ยิ่งปฏิบัติไปเห็นผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับใจของเราศรัทธาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้ว จากศรัทธาพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยศรัทธาแบบรูปคำคำศรัทธาในจากการได้ยินได้ฟังเฉยๆเป็นความศรัทธาที่ฝังลึกลงไปในใจิตใจเพราะว่าผลของกัรที่เราปฏิบัติแล้วมันเกิดผลขึ้นมาเนี่ยเหมือนมันมีประจักษ์พยานมันมีน้ำหนักมันรู้อยู่ที่จิตเห็นผลอยู่ที่จิต ความลังเลสงสัยก็ไม่มีแม้แม้แต่ที่เรามาก็เหมือนกันเนี่ยเรามาสัมผัสแล้วสถานที่มีอยู่จริงคําสอนร่องลอยทางดําเนินขวงพระพุทธเจา้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยน้ําหนักมันก็อยู่ที่จิตใจของเราฝังลึกลงไปในจิตใจของเราที่เราเคยลูบๆคำํคำๆหรือว่าความเชียอเราเคย อยู่ระดับหนึ่งความเพียรของเราก็เพิ่มขึ้นเพราะอาศัยความศรัทธายมันทำให้ความเพียร ม, มีกำลังความเพียรของเรามันก็เป็นสัมมาวายามุคือความเพียรชอบเมื่อความเพียรมีกำลังแล้วเราก็เพียรอะไรก็เพียรเพียเจริญสติเนื่ยสติมีกำลังก็เป็นสัมมาสติสัมมาสตินี่แหละมันก็จะไปควบคุมจิตให้เป็นสมาธิ เป็นสัมมา ส, ส ม, มาธิใจตั้งมัน่นสัมมา ส, ส ม, มาธิแก่ชัดตามความเป็นจริงขึ้นมาก็เป็นส ม, มาสมาธิเนี่ยมรรคเยืงแปดก็จเจริญขึ้นไปด้วยกั น, นพระองค์จึงทรงเรียกว่าการปฏิบัติโดยที่มีอารยมรรคเยืงแปดเป็นทางบันดาเนั่นเรียกว่าปรจจุบุมมกัณฑ พราะนั้นพระองค์จึงสอนให้สากวกของพระองค์ไปประกาศผมมาจา่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ก็คือปฏิบัติตามพยมักคในองค์ขององค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเป้าหมายก็คือให้เห็นว่าความทุกข์นี้มันเกิดภายในใจเรากเพราะว่าใจเราปเป็นหลงผิดไม่รู้สภาพธรรมตามความจริง แล้วเราก็เลยอยากให้เป็นอย่างนั้นอยนเราจรึงต้องมาฝึกจิตใจข้างล่างให้มันรู้ความจริทุกให้กําหนดรู้ว่ามันทุกเนี่ยเราต้องรู้ลงไปไม่ให้กลัวไม่ให้กังวลไม่ให้หวันไหวกับความทุกข์แต่พระองค์สอนว่าความทุกข์เนี่ยต้องเข้าไปรู้เข้าไปดึงให้เห็นว่าหน้าตามันเป็นไงสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นยังไน พอดูไปแล้วเนี่ยถ้าหาว่าทุกเงินดับไปเมื่อไหรความสว่างสวัยจะเกิดขึ้นรู้ว่าทุกเนี่ยมันเกิดจากความหลงผิดของเราจากหลงเขา้าไปการเข้าไปยึดมั่นถิวมั่นของเราเพราะเราไม่รู้สภาพธรรมตามความจริงตัวมีอะไรผ่านเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะส่งเข้าไปถึงจิตทีเดีเลยตาเห็นปั๊บเนี่ย มันจะมีตัววิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นโดยธรรมชาติตากับลูกกระทบกันจะมีวิญญาณเข้าไปเกิดขึ้นสามอย่างนี้ทั้งเดียว่าเป็นภาษาพอภาษานี้มันจะมีเวทนา ท, าทันทีเลยความรู้สึกของเรารู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็จะเกิดถ้ามันสบายก็ชอบใจไม่สบายไม่ชอบใจเนี่ยชอบใจก็อยากให้ ได้อยากต้องการน like ี่แหละนี่แหละมันจะก่อเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาในใจเราถ้าสติเราไม่ทันนะนี่แหละมันมันจะก่อเกิดทุกข์แล้วถ้าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปเพลินไปนี่ท่านเรามีอุปาทานแล้วเนี่ยตรงนี้ทุกข์เกิดตรงนี้ตรงอุปทานเนี่ยถ้าเรารู้ทันตรงนี้นะอุปทานดับทุกข์จะไม่เกิดถ้าหากว่าความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย เราตามไม่ทันตรงนี้พอมันเทินไปมันไหลไปเนะี่ยเรียกว่าอุปทานเกิดขึ้นพออุปทานแล้วมันจะปรุงแต่งเป็นภพกันหมดนี่เราสร้างภพขึ้นมาแล้วเป็นที่เกิดของจิตขึ้นมาแล้วจากนั้นปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นมีน้ำหนักอยู่ในจิตของเราเป็นตัวเราขึ้นมาเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมานี่เป็นชาติเมื่อมีชาติมันก็ต้องมีทุกข์ เพราะนั้นมันต้องเกิดในจิตก่อนแล้วแล้วไอ้ที่ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติมันก็มีอยู่ในจิตนี่แหละก่อนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติที่จิตจริงๆอต่อไปนี้ให้เราปฏิบัติที่จิตใจของเราหรือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเบื่อบูชาพระธรรมบูชาพาะอริยสง์ เป็นสักขีพยายานต่ อ, อการที่เราได้มายังสถานที่เราสืบองค์โองเด็ค่เพียงมาสัมผัสใจแล้วเราก็ได้มาประกอบปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ด้วยความเป็นอกเป็นใจด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอย่างแท้จริงให้เราปฏิบัติกัารด้วยใควรและไม่ควร วิญญาณที hmm. ended, いい่ส่องมาส่องมาที่ส่วนที่มีเน <ệt> ื้อวัตถุ i รดอย่างเนี่นระไรทำเนมาเนเอนยแต่เราเนี่ยดูให้ดีๆครับวของเรานอ่งขนาดนี้เรามาที่นี่เมด้ความรัทธี้ เมื nào, leaving, people, ่อถึงแล้วเราก็ได้เดินเยื่ยเพียงก็เด้เดินชมองดูชาพระพเก็ได้รวมกันวาจาใจเราเป็นที่เรี่กว่าเราดูชาเราองการูตกปฏิบัติดูชาพิสิตรแล้วเราก็มานั่งสมาธิเพื่อดูชาพระองค์ครั้งนี้นี้ เราก็สำรวจตัาวันนี้วันนี้จิตใจของเราอยู่ยังไงเล่นตนยังไงใจเราเป็นยังไงบ้างคพบวันดูจิตใจของเราเราล่นตนยังไงตอนนี้จิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจเรายุ่งยังไงแล้วที่ไหนที่เราอยากจะอุปนิตใจของเราให้มันชัดแก้งขึ้ในจิตใจของเรา โดยเฉพาะการมาของเราเนี่ยเเรามาเห็นสถานที่จริงแล้วความศรัทธาความเดินสใสเกิดขึ้นมีความหนักแน่นภายในจิตใจนี้เราจะย้ำปณิธานอะไรให้กับจิตใจพวกเราบัางเพื่อให้มันมีน้ำหนักให้มันมรู้สึกว่าจิตใจของเราเ จะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใ่้มันมีความหนักแน่นมีความจริงจังให้ผลของการปฏิบัติมีความลึกซึ้งภายในจิตใจของเราสิ่งไหนที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแก้ไขย่างไงหาสัยการที่มายัางสถานที่ ที่เป็นที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นที่เผยแผ่ศ า, าสนาของพระพุทธเจ้าเป็นที่ไหนก็ตามเราก็อาศัยสถานที่เหล่านั้นเป็นประจับเป็นพยานเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเรา มีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระโอน๋นี้ขึ้นไปสิ่งไหนบ้างที่เราควรจะแก้ไขเราจะพยายามแก้ไขสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทํารืเรายังทำน้อยไปเราก็ทำให้มันมากขึ้นให้สมควรเกณฑ์ฐานะเกณสภาพของเราที่เป็นชาวพุทธด้วยยังดำเนินชีวิตไปด้วย ให้มันมีความเหมาะสมมีความลงตัวเราสอนจิตใจเราอบรมจิตใจเราอาศัยกำลังใจที่เกิดขึ้นจากการที่เรามาอาศัยสถานที่ที่เป็นจริง ที่เกิดขึ้นจรที่มีอยู่จริงแต่พระพุทธเจา้าของเรามันย่อมทําให้น้ําหนักที่เราจะแปรพัฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันมีน้ําหนักทําให้ใจเรามันมีกําลังแล้วบางคนก็อาจจะมองเห็นช่องทางไปช่วยเหลือคนอื่นขึ้นมาบ้างจะทําตัวเราเป็นตัวอย่างก่อน ช่วยเหลอครอบครั ว, วเรานี่แหละถ้าวันนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติความอบอุ่นภายในครอบครัวก็เกิดขึ้นความดีความงามก็จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวทางดำเนินไปของชีวิตของเราของครอบครัวเราก็เป็นไปในทางที่ถูกตรงเป็นไปในทาง ที่จะทําให้ความทุกข์มันน้อยลงไปปัญหามันลดลงไปนี่ความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้านจิตใจของเรามันก็เป็นไปเพื่อความสะอาดความบริสุทธิ์มากขึ้นในเมื่อเรามีกําลังใจแล้วไอ้สิ่งไหนที่มันจะทําให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเราก็สามารถยับยั้งมันได้ และจิตใจของเราก็จะเกิดความสุขความสงบความสมายภายในจิตใจเกิดความสะอาดเกิด ค, ความบริสุทธิ์มาทพก่มจากนั้นก็ให้เราเตรียมอุทิศบุญขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบิณฑ์ของข้าพเจ้าให้แก่ดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในเกียรติยานทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือพระพุทธศาสนาคอยปกป้องพระพุทธศาสนาคอยสืบทอดพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าขออุทิศบุญให้ดูวิญญาณเหล่านั้นทุกชั้นทุกภูมิต ล, ลอดจนให้แก่ดูวิญญาณที่เป็นญาติของเราเทว ด, ดาที่รักษาเราเจ้ากรรมนายเรีของเราหรือผู้ที่ต้องการบุญจากเราข อ, ขอให้ยินดีรับเอาบุญนี้ด้วยเถิดหรือว่าเราจะอุทิศบุญให้ใครอีกเราก็สามารถอุทิศบุญให้ได้เพราะจิตใจของเรา มีกำลังแห่งความศรัทธามีกำลังแห่งความเคารพความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจิตใจที่เกิดเป็นดีเป็นกุศลจากการได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยจิตใจที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงด้ความจรงิงจังเป็นกุศลที่เกิดขึ้นเราสามารถอุทิศไปกวามขวาง ขอดวงวิญาณเหล่านั้นจงบินดีรับอาวุธของคาบะเจ้าโดเมื่อรับอาวุธแล้วต้องการชิ่ใดก็ขอให้สําเร็จสมความปรารถนาโดยอานุภาพแห่งบุญที่คาบะเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้เมื่อส้อความปรารถนาแล้วให้มาปกปักรักษาคุ้มครองดูลเชื่อเลื่อนเหมือนคาบะเจ้าทำสินงใด ขอให้มีความราบรื่นมีแต่ความสาเร็จมีแต่ความเจริญรเรื อ, เองเป็นตัวว่ก า, ารเดินทางก็ขอให้มีความสบ า, ายปลอดภัยมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความลงตัวสุขภาพร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอขอให้หมอซึ่งเป็นเทวดามาช่วยรักษามาช่วยปัดเตาด้ย นายเวรที่เคยมีกรรมเยนต่อกันขอขอให้มารับบุญให้ยินดีรับเอาบจากธรวมจากรรมเวรทั้งหลายที่เคยผิดพลาดร่วงเกินการผิดบาปล่วงเกินกันขอขอให้กรรมเวรเหล่านั้นจงเนสนอกิตติกรรมให้หมดให้สิโดยเถิด